เนี่ยพอจับได้ปับ๊บคราวนี้งานในคุณต้องทําทําทันทีเลยถ้าจิตคุณนิ่งจิตคุณเฉยเฉอยู่นะไม่ได้คิดเสียหายอะไรไม่ได้คิดอกุศลอะไรจิตเราคิดคิ ด, คดธรรมดาปกติเนี่ยอ่าเราก็เป็นกุศลอยู่เนี้ยไอ้อย่างนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยอ่างานในก็ยังไม่ต้องไปอะไรมากแต่คราวนี้พอคุณจับได้ว่าโอ้โหมันขึ้นแล้วมันไม่ชอบใจแล้ว คุณจับได้ทันทีเลยแล้วคุณก็ทำให้มันสยบลงไปสยบบอกแล้วนะสยบแบบพิจารณาไม่ใช่สยบสยบแบบกดข่มพิจารณาที่จะล้างกิเลส ต, ตัวนี้ลงไปตอนนี้คุณกาลังทํางานในที่เรียกว่าขณะงานนอกเนี่ยคุณก็ยังทำอยู่คุณยังไม่เลิกนะคุณไม่ได้ทิ้งคุณก็ยังทาอยู่ แล้วคุณก็ทำงานในเนี่ยคู่กันไปด้วยอย่างนี้มีว่าบางคนเนี่ยพอเจองานนอกแบบนี้ใช่ไหมไม่ชอบใจไม่ถูกใจกูจะเห็นหั้ยทิ้งเลยทิ้งเลยไอคนนี้เลิกเลยสาปส่งไม่ต้องเจอกันไม่ต้องเห็นหน้ากันไม่ต้องคุยกันนี่คือคนหนีงานหนีงานในแล้วและหนีแบบนี้งานนอกก็อดไปด้วยเลยหมดไปด้วยเลย ถ้าใครไปทำอย่างเนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่สี่คืองานนอกก็ไม่เอางานในก็ไม่เอายกเว้นยกเว้นว่าเราจับดิเลสเราได้แล้วว่าโอ้โหถ้ายืนอยู่ตรงนี้ต่อไปเนี่ยรับรองจะต้องมีหน้าโรหิตเกิดขึ้น <c ười> <c ười> คือว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าแค่หน้าเรานะ หน้าโลหิตเกิดขึ้นนี่คือมันจะโกรธแล้วมันจะอดกลั้นไม่ไหวมันอาจจะไปตบหน้าเขานะทำให้เขานี่ก็เกิดหน้าโลหิตขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ ร, รู้อำนาจพลังจิตของตัวเองว่ามันอดทนอดกลั้นจะไม่อยู่แล้วจะไม่ไหวล้วเพราะฉะนั้นข่าวนี้คนนี้รู้ว่าถ้าขืนยืนตรงนี้ต่อไปอ่ะเล่นงานเขาแน่นอนเลยนะแล้วก็ยังไม่มีปัญญาที่มันจะอะไรอ่ะจะลดเอง กิเลสตัวนี้ลงได้แต่คนนี้ฉลาดอย่างน้อยก็ยังมีไหวพริบมีปฏิพานที่รู้ว่าก็ตอนนี้ถ้ายืนตรงนี้พังเพราะงั้นคนนี้ก็เลยต้องถอยออกมาก่อนออหรือว่าจะใช้คาว่าหนีตรงหนีออกมาจากตรงนั้นก่อนก็ตามแต่ถ้าหนีแบบนี้อันนี้ไม่ใช่หนีแบบที่ละกี้นี้พูดแล้วไม่ใช่บอกว่าไม่มีทั้งงานนอกไม่มีทั้งงานในเพราะคราวนี้มันกลับกันแล้วตรงนี้ เป็นรายละเอียดที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเพราะข่าวนี้ถ้าขืนยืนตรงนี้ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นงานนอกงานนอกอะไรจะเกิดขึ้นตบแน่งานนอกนี่ตบเขาแน่งานนอกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่ใช่ไหมอย่างนี้อกุศลและนี่ทุจริตเพราะนั้นบอกแล้วงานนอกอย่างนี้ไม่เอาอยู่แล้วไม่ทำเพราะการที่คนนี้หนีแบบนี้ได้เนี่ยหนีเพื่อที่จะไม่ทางานทุจริตเนี่ย ถูกต้องใช่ไหมอย่างนี้เป็นกุศลเพราะฉะ น, นั้นอันเนี้ยจริงๆอย่างเนี้ยเขาไม่เรียกว่าหนีที่ถูกต้องไม่เรียกว่าหนีนะจริงๆแล้วเท่ากับว่าสู้แล้วก็ชนะด้วยไม่ใช่แพ้แล้วก็ไม่ใช่หนีเพราะคราวนี้เนี่ยถ้าจะใช้คําว่าหนีคือหนีทุจริตเพราะถ้ายืนอยู่แบบนั้นต่อไปนี่ตบเ้าแน่เลยนี่ทุจริตแน่เพราะฉะนั้นหนีทุจริตเพื่อที่จะอะไรให้เราจิตของเราเนี่ย ใช้สุดจริตเนี่ยอใช้กุศลเอาชนะทุจริตที่มันอยากจะไปทำร้ายเขาเพราะงั้นการที่เราหนีออกมาได้เนี่ยเราชนะมันเป็นกุศลเพราะระวังภาษาบางทีภาษาพูดมันทําให้เรางงได้อืมเสร็จแล้วดูนะงานนอกเนี่ยถ้าคุณคุณถอยออกมาอย่างนี้ได้เนี่ยนะงานนอกคุณก็ชนะด้วยแล้วงานในอะ่ะ บอกแล้วแสดงว่าเรายังควบคุมเรายังบังคับกิเลสไอตัวนี้ได้ไม่ไม่ให้กิเลสเนี่ยมันปล่อยไปตามอารมณ์ของมันเรายังฝืนได้เรายังข่มมันได้เรายังพยายามบังคับมันได้อยู่นะจะใช้สมถะหรือจะใช้ปัญญาก็แล้วแต่แหละแต่บอกแล้วถ้าทางพุทธนี่เราต้องเน้นที่จะใช้ปัญญาจะพิจารณาแล้วก็ล้างไอ้กิตพวกนี้ลงไปลงไปลงไป ถ้าอย่างเงี้ยบอกแล้วอย่างนี้ไม่ถือว่าหนีไม่ถือว่าแพ้แล้วคนนี้ก็กาลังทำทั้งงานนอกและงานในด้วยฟังดีๆนะแต่ส่วนคนที่หนีที่บอกว่าทั้งงานนอกก็ทิ้งทั้งงานในก็ทิ้งนี่คือบอกแล้วพอไม่ชอบใจขึ้นมาคราวนี้นะไม่ชอบใจขึ้นมาไม่เอาด้วยแล้ะไม่ยุ่งด้วยไม่สนใจแล้ว จะเป็นจะตายยังไงช่า ง, งบางคนนี่พ่อแ ม, โอแม่โดนพ่อแม่ตําหนิโดนพ่อแม่ตีหรือว่าโดนพ่อแม่ว่าเอาไม่ชอบใจขึ้นมาไม่ชอบใจขึ้นมาไม่เอาแล้วไม่ยุ่งด้วยแล้วนะหรือไม่กลับบ้านแล้วอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหนีอย่างงี้ ย, ย, ยคือหนีปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาแล้วก็ไม่ได้สู้ปัญหาเลยอย่างเงี้ยงานนอกก็ทิ้ง แล้วงานในอ่ะกิเลสตัวเองที่เกิดความอึดอัดขัดเคืองเกิดความโกรธเกิดความไม่ชอบใจไม่ได้ล้างเลยยังคงไม่ชอบใจพ่อแม่อยู่อย่างนั้นไม่ได้ล้างจิตตัวเองเลยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือเข้าไขา่ประเภทสุดท้ายประเภทที่สี่ที่ทิ้งหมดเลยงานนอกก็ขี้เกียจไม่อยากทำไม่อยากแก้ปัญหา งานในก็ขี้เกียจไม่อยากทาไม่อยากปัญหาไม่อยากแก้ปัญหาพวกเนี้ยส่วนใหญ่เชื้อหรือสีแรงเชื้อหรือสีพวกหรือสีถึงชอบอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้าอยู่ ท, ที่ที่มันภายนอกก็ไม่ต้องมีภายในก็ไม่ปรุงไม่คิดอะไรเลยดับลูกเดียวดับลูกเดียวดับจนกระทั่งกินก็ไม่ต้องกินอะไรมากอ่ะหลายวันกินทีก็ได้ เอ่ยืนขาเดียวอะไรอะ่ะแงนมองฟ้าอืมได้พวกฤาษีพวกอะไรสมัยโบราณนี่นะทําอย่างนั้นเลยคือแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับใครเสื้อผ้าไม่ต้องนุ่งแบบพวกชีปเปลือยเลยไม่ต้องนุ่งเลยนะเขาเรียกนุ่งลมหม่มฟ้าเออไม่ต้องนุ่งเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องอะไรกับใครทั้งสิน้น ตัดหมดทุกอย่างเลยอืมเนี่ยคือคือคือพูดง่ายว่าอะไรก็ช่างเอะอะไรจะผสัสสะอะไรจะอะไรไม่สนใจทั้งนั้นแหละเรียกว่าอยู่แต่ในภพของตัวเองเพียงอย่างเดียวเลยซึ่งอย่างนี้ไงถึงไม่ใช่ของศาสนาพุทธเนี่ยอ่าถ้าศาสนาพุทธถึงบอกว่าไม่หนีผสัสสะไม่หนีผสัสสะจะทั้งภายนอกก็ตามทั้งภายในก็ตามแล้วเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ พวกที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกมันจะต้องมีสภาวะจิตใน4ประเภทเนี่ยอย่างได้อย่างหนึงต้องเกิดขึ้นแน่คราวนี้ให้สังเกตงานนอกอย่างไหนที่เราชอบซึ่งเราชอบเนี่ยมันเป็นจิตของเราอะนะที่จิตของเราเนี่ยชอบชอบงานภายนอกแบบไหนเราก็จะทำแต่ ง, งานภายนอกแบบนั้น เพราะไอ้ที่ไม่ชอบจะไปทําทําไมใช่ไหมอันนี้คิดแบบโลกโลกคนทั่วๆไปอ่ะเขาก็อยากทํางานที่เขาชอบงางานที่เขาไม่ชอบเรื่องอะไรเขาจะไปทําเพราะคุณทํางานที่คุณชอบคุณมีความสุขแต่คุณไปทํางานที่คุณไม่ชอบคุณทุกข์เพราะนั้นถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมจะเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วรู้เรื่องงานนอกงานในจะต่างกันเลยคนนี้งานไหนที่ยิ่งไม่ชอบอาหารยังไงที่เราไม่ค่อยชอบกินเป็นไงต้องฝึกฝึกหัดกินบ้างแต่งานนั้นต้องไม่ทุจริตอาหารนั้นต้องไม่ใช่เป็นอาหารเป็นพิษต้องเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์เนี่ยหัดทำงานสุดจริตที่เราไม่ชอบเพื่ออะไรเพื่ออะไร เพื่อให้มีภาษสะเพื่อเพื่อที่จะได้รู้กิเลสไอตัวไม่ชอบของเราเนี่ยมันหนักหนวนมันรุนแรงแค่ไหนแล้วไอผีกิเลสตัวเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาจะได้เห็นหน้าเห็นตามันชัดๆแล้วก็จะได้จัดการมันได้ถ้าคุณไปทําตามใจคุณนะโอ้โหบอกได้เลยกิเลสตัวเนี้ยมันนอนตีพุงเลยมันได้กินอิ่มน้ําสําราญมันนอนตีพุิอยู่ในเขาเรียกอะไรนะ กำมลนสันดานสำรวนแบบปัตยปิดกมันจะนอนเนื่องอยู่ในกำมลสันดานของเราเลยจะกินอิ่มนอนหลับแล้วมันจะตัวโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆในจิตของเราเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทำจะรู้เลยว่าโอ้โหถ้าอยากจะรู้ว่ากิเลสหน้าไหนตัวไหนยี่ห้ออะไรกุ๊ปเกุ๊ปบหรือว่ากุ๊ป C หรือกุ๊ปโออะไรเน่าจะรู้เลยนะ เพราะนั้นเขาจะเจอผัสสะอย่างไหนที่ไม่ชอบเออถึงบอกว่าเอาหัดหัดกินบ้างงานไหนที่ไม่ชอบหัดทำบ้างแล้วกิเลจะโผลมาให้เห็นเราต้องการให้กิเลโผลมาให้เห็นเพื่อที่เราจะได้ทำงานในบอกล้เราจะได้ฝึกอาปาบยังไงจัดการยังไงส่วนงานที่ชอบชอบเขาวนี้อ่าหัดหัดงดหัดเว้นบ้างได้ไหม ไม่ใช่หัดงดหัดเว้นก็คือไปนอนนะหัดงดหัดเว้นคือไอ้ที่เราชอบชอบทำอันเนี้ยไหนๆลองให้คนอื่นมาทำแทนดูบ้างซิแล้วเราไปทำงานอื่นดูบ้างซิปล่อยบ้างได้ไหมวางบ้างได้ไหมวางใจให้คนอื่นเขาทำบ้างได้ไหมไม่ใช่ต้องฉันทำอยู่คนเดียวเพราะฉันทำท่านะถึงจะแน่ถึงถึ ง, ถ, งถึงจะเยี่ยมถึงจะอร่อยถึงจะดีคนอื่นนะ่ทสู้ฉันไม่ได้ อ้าถ้าคุณเอาจะทําอย่างนี้คุณจะไปรู้กิเลสไอตัวติดยึดพวกนี้ได้เหรอมันก็ต้องหัดปล่อยบ้างทีคนอื่นทำไม่แน่นะคนอื่นอาจจะทำอร่อยกว่าคุณอีกคุณหลงของคุณดังหากแล้วคุณคิดว่าคุณทําอร่อยกว่าคนอื่นเขาอ่ะคุณหลงเองอ่าเพราะฉะั้นมันต้องท้าพิสูจน์อ่าต้องทดลองดูแล้วบอกแล้วนะคราวนี้คุณจะเห็นเลยนะโอ้โหพอลองให้คนอื่นเขาทําแทนเรานะโอ้โหบางที กิตเรานี่มันดิ้นอยู่เลยเอาละไอ้กิเลสตัวอิจฉาลิษย า, ากิเลสตัวอะไรอะ่ะแข่งอะ่ะแข่ ง, ขงอยากแข่งกับเขาอะ่ะ อ, อยากจะเอาชนะเขาอะ่ะเนี่ยแล้วคุณจะเห็นเลยคราว น, นี้ก็เพราะเห็นเนี่แหละเราถึงจะโอ้โหกิเลส ต, ตัวนี้เรายังมีอยู่เลยเพราะเราจะได้ฝึกฝึกล้างไอ้กิเลสพวกนี้ ถ้าคุณฝึกได้ใช่ไหมดูคราวนี้งานในเราทําได้แล้วอ่าพอคุณทําไ ด, ด้ดูนะงานนอกคุณจะผัด ส, สะอะไรก็ตามจะเจองานที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามคุณก็ทําได้ละคราวนี้ยเพราะคุณทํางานในคุณได้ดีแล้วราะถ้าใครทําอย่างเนี้ยฝึกไปเรื่อยๆนะงานนอกก็จะขยันด้วยจะทําได้ดีทําได้เก่งขึ้นด้วยแล้วงานในเนี่ยก็จะ ฝึกสัมรวมจิตระวังจิตของตัวเองเนี่ยได้ดีขึ้นจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยไปเจอปัญห า, โด น, นด า, าโดนคนด่าบ้างโดนคนดูหมิ่นบ้างหรือว่าเกิดจะไปรักไปชอบใครเขาบ้างเกิดจะไปเกลียดชังใครเข้าบ้างมันถึงปรับอารมณ์จิตของตัวเองเนี่ยได้เพราะเราเราฝึกมาแล้วนี่เพราะเราก็พยายามปรับปรั บ, ร บ, รบจนกระทั่งมันหมดไปได้มันเกลี้ยงไปได้ทําอย่างเนี้ย เพราะคนที่ทำ ง, งานในงานนอกเห็นไหมมันจะลงตัวก็เรื่อยจะลงตัวก็เรื่อยถ้าใครทำได้อย่างนี้นะอัตมาก็อยากจะฝากแต่ส่วนใหญ่มันก็รู้อยู่อะ <c oughs> ต้องพูดของจริงมันส่วนใหญ่ก็รู้อยู่อะแต่พอถึงเวลานี่นะ <c oughs> เผลอจ้าแต่ ง, งานนอก <c oughs> บอกได้เลยจะไม่ไวในการที่จะ รู้งานในของตัวเองว่าตอนนี้ต้องทำงานในของตัวเองแล้วคือส่วนใหญ่เนี่ยพอมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรขึ้นมาทันทีเลยจะแก้ปัญหาโดยทำใช้ภายนอกอะ่ะคือคือให้คนอื่นแก้ตัวเองไม่จะแก้ด้วยนะให้คนอื่นแก้หรือถ้าเราจะแก้เนี่ยก็คือเราแก้โดยที่ไปแก้คนอื่น <c ười> คือเราพยายามจัดการคนอื่นนั่นเอง คือจะเป็นอย่างนั้นอ่ะคือไม่ได้คิดเลยที่ที่จะจัดการอารมณ์จัดการจิตภายในเราเนี่ยให้ได้สักก่อนคือคือไม่ค่อยคิดอันนี้คิดแต่จะจัดการคนอื่นก่อนอยู่เรื่อยไปเลยพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยรู้งานในตัวเองเนี่ยแล้วเก่งงานนอกนี่ถึงได้แบบว่าจะทุกข์อยู่บ่อยเพราะบอกแล้วว่าคุณยิ่งเก่งคุณยิ่งยิ่งขยันเนี่ยคุณยิ่งผัสสะเยอะถูกต้อง เมื่อภาษาเยอะแล้วแมคุณงานในคุณไม่เก่งคุณจับอารมณ์จิตก็ไม่ไม่เก่งอดทนอดกั้นอะไรก็ไม่เก่งอ้าวปรับแก้จิตก็ไม่เก่งอีกเอ้าเสร็จสิวันพวกนี้ส่วนใหญ่อยู่วัดไม่ได้นานบวชไม่กี่วันหรอกศึกพวกเนี้ยไม่รอดหรอกอ่พวกงานนอกเก่งนะแต่งานในไม่เก่งนะ ไปได้ไม่ยาวาจะพังได้ง่ายแต่ส่วนพวกงานนอกไม่ค่อยเก่งนะแต่งานในเก่งนะพวกนี้ทนได้เยอะกว่าเพราะว่ากระแสของาศาสนาพุทธเนี่ยหลงไปในพวกแบบลือสีหลงแบบว่าสงบสงบไม่ต้องทำงานอา่ไม่ต้องไปช่วยเหลืออะไรใครเขานักอะ่ะใช่ไหมพรางานนอกไม่ต้องยุ่งอะไรมากเอางานในเป็นใหญ่ เพราะฉะนั้นพวกนี้เลยค่อนข้างทนได้มากกว่าคือมาในเชิงสมถะมาในเชิงสมถะนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกนี้เลยอยู่ได้ยาวกว่าอะจะทนได้มากกว่าแต่บอกแล้วว่าทั้งสองพวกเนี่ยนะตงทั้งคู่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมที่ที่เป็นพุท ธ, ธะได้ไม่มีสิทธิ์เลย เพราะถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้เนะนี่ยคราวเนี้ยชีวิตเราแต่ละวันที่เราทํางานคุณอย่าลืมงานนอกเนี่ยธรรมาไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่ายิ่งมาสายของปฏิบัติธรรมอย่างของอโศกเราแล้วเนี่ยนะเราก็เดินด้วยมรรคองคแปดเราให้แบบว่าต้องทํางานนอกอยู่แล้วเพราะาที่พวกเราจะเผอส่วนใหญ่คืองานในงานในของเราคําว่าเผอนี่บอกแล้วนะ งานนอกเราก็ทําอยู่แต่เราจะเผยงานในก็คือคือมันไม่ค่อยระวังจิตตัวเองพอเกิดชอบใจไม่ชอบใจอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ไม่แก้ที่จิตเราแต่บอกแล้วจะไปแก้ที่ภายนอกซึ่งอันเนี้ยทีหลังภายนอกนี่ก็ต้องแก้แต่มันทีหลังแต่ต้องแก้ที่อารมณ์จิตของเรานี้ให้ได้ก่อนอันนี้ยืนยันเลยว่าต้องต้องแก้ภายในเนี้ยก่อน พูดเจ้าถึงตัดว่าจิตมันอะไระเป็นประธานเน่จิตเป็นใหญ่นาแต่คุณจะรู้จิตคุณดีภาษาภายนอกจะทำให้รู้จิตตัวเองดีเนี่ยมันย้อนมาย้อนมานะคุณต้องพยายามเข้าใจให้ได้ถ้าคุณเข้าใจได้แล้วคุณก็จะไม่ค่อยง ง, งถ้าเข้าใจได้แต่ถ้าเข้าใจไม่ได้นะก็เผลอๆจะหลงจิตอีกอ่ะอ้าวงานนอกก็ทิ้งนี่นี่คือพวกพวกตรงๆพวกหลงหลง ถ้าโตไปอีกอย่างก็จะเอาแต่งานนอกงานในก็ดูซิอ่าบางคนเนี่ยโหทำอะไรต่ออะไรเก่งแต่ดูสิคนรอบข้างนี่แทบไม่เอาด้วยเลยหรือผู้อีกอย่างก็คือว่าทำงานกับคนอื่นเขาไม่ได้แต่ตัวเองทำงานเก่งนะแต่ทำงานกับคนอื่นก็ไม่ได้เลยหาเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ทั้งๆ ท, ที่ทำอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงแต่หาเพื่อนไม่ได้ เพราะว่าเนี่ยเก่งแต่งานนอกแต่งานในไม่เก่งเพราะฉนคนที่เก่งงานในเนี่ยมันก็จะระวังโทสะเรื่องของความโกรธความถือสาความเกลียจชังใครเขามันก็จะระวังไม่ให้จิตไปโกรธเคืองไปถือสาใครก็ทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยจะไปโกรธอะไรกันนักหนาก็รู้จักให้อภัยได้รู้จักเมตตาคนอื่นเขาได้หรือว่าจะไปรักไปหลงโอ้ คนนี้ขยันจังเลยตรงสเปกเราเพราะเราก็ขยันเพราะฉะนั้นก็เลยน่ะคนนี้น่าเป็นแฟนเราน่าเป็นแฟนฉัน <c oughs> คนนี้เอาเลยฟุ้งแล้วอนนี้เริ่มฟุ้งเลยเนี่ยก็ต้องรู้ให้ได้รู้แล้วก็ต้องล้างไอกริลเลต ส, สายราคะพวกนี้ต้องล้างนะไม่ใช่แล้วบอกก็เคยพูดไปบ่อยละไอโทรศั์เนี่ยคุณยังรู้ง่าย แต่ตัวราคานี่คุณรู้ยากนะยิ่งโอ้โหไปติดไปหลงไปชอบเวลาพูดหลอกตัวเองอ่ะพูดให้พระเพาะโอสัทธาเขาจังเลย <laughs> พูดให้พ ร, <laughs> พระเพาะหน่อยสัทธาเขาจังเลยโอ้ที่ไหนได้หัวปากหัวปัวป๊ม <laughs> หลงเขาจะแย่อยู่แล้วยังแหมามาอ้างว่าสัทธาท่านสัทธานี่วันดูให้ดียิ่งตัวเนี้ยยิ่งรู้ยากวันถ้ารู้ รู้เนี่ยต้องรู้ให้ได้นะไม่รู้อลไรจะรู้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่รู้แล้วก็ต้องล้างทิ้งให้ได้แล้วล้างยากด้วยตัวหลงในทางราคาเนี่ยล้างยากกับโทสะต้องล้างให้ได้นะอย่าไปหลงตัวเองนักหนาเลยหลงตัวเองทั้งสองสายเนี่ยนะเอาวันนี้นี่ก็พูดให้ฟังเพราะว่าอันนี้พูดมาจากเนี่ยเรื่องที่มันมีมาแล้วนักปฏิบัติธรรมทุกคนต้องเจอทุกคนแลวถ้าใครปรับ สภาพงานนอกงานในเนี่ยได้ถูกต้องได้พอดีพอเหมาะนะคนนั้นจะไม่ค่อยทุกข์อะไรแล้วก็จะปฏิบัติธรรมเนี่ยปัญหาต้องเจออยู่ตลอดอุปสรรคมีตลอดชีวิตคุณแหละต่อให้บรรลุธรรมก็ยังมีเลยอุปสรรคอะแต่มันไม่ทําให้เราทุกข์ได้เพราะว่าเราปฏิบัติได้ทั้งงานนอกงานในได้แล้วเพราะฉนั้นในที่สุดคนเนี่ยจะพ้นทุกข์ไปเรื่อยพ้นทุกข์ไปเรื่อยปัญหาต่างๆเนี่ยจะเบาลงไปเรื่อยๆเลย แม้ปัญหาจะมีมาแต่ใจเราเนี่ย ม, มันเหมือนกับไม่มีปัญหาแล้วคุณ ก, ก็แก้ไขกันไปตามเหตุการณ์ตามความเป็นจริงหรือว่าตามสติปัญญาเราเท่าที่เราจะมีก็แก้ไปตามเท่าที่นั้นแนหะ ค, คุณแก้ไม่ได้จริงๆคุณก็ยังวางได้เลยอุเบกขาได้ว่าสุดฝีมือเราแล้วมันได้แค่นี้นะคุณก็เอา้าแค่นี้ก็แค่นี้คุณก็จะวางได้ด้วย นะเอาแล้วคนนั้นปฏิบัติทำแบบนี้ได้แล้วนั่นแหละถึงจะพ้นทุกข์ได้จริงแล้วก็ทำงานกับหมู่เพื่อนฝูงก็เข้ากับใครก็ได้จะไม่มีเกียรติใครแล้วก็จะไม่มีไปหลงรักใครด้วยอ้อาวก็คงฝากไว้เท่านี้นะ